หลวงพ่อสอนเด็กเล็กๆไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะคุยยังไงมันไม่ค่อยสื่อกั น, นธรรมะถ้าจะเรียนให้ลึกซึ้งมันต้องใช้วุฒิภาวะพอสมควรศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาของสติปัญญาแท้ๆเลยถ้าเด็กเล็กนักเรียนยากหรือผู้ใหญ่อายุมากๆเรียนยาก เด็กเรียนยากเพราะไม่ค่อยสื่อแต่สมัยพุทธกาลพระอราหันต์เจ็ดขวบนี่เยอะเลยมีเยอะเพราะว่าครารุ่นน้นท่านเก่งส่วนคนแก่เรียนยากเพราะว่าจะดื้อน ะ, ะื้อพระพุทธเจ้าบอกนะไม่ใช่หลวงพ่อว่าคนแก่นะเพราะเราก็เริ่มแก่แล้ว พระเจ้าอย่างคนบวชเมื่อแก่นะที่จะว่านอนสอนง่ายหายากท่านยกย่องพระองค์หนึ่งคือพระราทะเป็นเอตทักขะทางว่านอนสอนง่ายพระราทะบวชตอนแก่แล้วท่านยากจนมากเลยมาขอบวชทีแล้วไม่มีใครยอมบวชให้เลยไม่มีพระองค์ไหนอยากรับภาระคลยๆเอาคนแก่มาเลี้ยงอะไรอยงี้ไปขอบวชกับองค์ไหนองค์ไหนท่านก็ไม่เอานะ พระพุทธเจ้าท่านดูออกว่าราธะพรามคนนี้มีบารมีจะต้องเป็นพระอราหันต์ได้ถ้าได้บวชท่านจะเป็นพระอราหันต์ท่านก็ช่วยแต่ท่านไม่สั่งนะว่าคนนี้ไปเป็นอุปชาให้อะไรเงี้ย ท, ท่านฉลาดท่านถามพวกพระว่ามีใครเคยนึกได้บ้างไหมว่า เคยได้รับความอนุเคราะห์หรืออุปการะจากราท้าพรามนี่บ้างนี่ท่านฉลาดจริงนะท่านสั่งท่านก็สั่งได้นะให้องค์นี้รับภาระอง์นี้รับภาระอย่างตอนพระราหุลจะบวชนะท่านสั่งพระสารีบุตรให้จัดการเลยสั่งได้ก็มีพระสารีบุตรนะเขทูนพระพุทธเจ้าบอกจําได้ราท้าพรามนี่เคยใส่บาทหนึ่งทัพพี ในบาทหนึง่งทัพนพะีมีบุญคุณกับท่านดูสิท่านกระตันยูจริงๆนะท่านเป็นตัวอย่างของความกระตันยูเลยนะท่านก็เอาลาทัาพรามมาบวชบวชแล้วก็ว่าง่ายสอนง่ายนี่บวชหลายวันมาแนละ้วพระพุทธเจ้าก็ถามภาษารีบวรว่าลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนะบอกว่าง่ายสอนง่ายที่สุดเลยดีกว่าพระนมนมซะอีกพระนมนมดื้อก็มีนะไม่ใช่ไม่มี หลวงพ่อเจอมาเยอะแล้วบอกให้ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างโ น, น้นอเงี้ยมีเหมือนกันงั้นไม่ใช่ว่าคนแก่ภาวนาไม่ได้นะแต่อย่างพระสารีบุตรนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะของเด็กๆนะท่านเป็นยอดของความกระตันอยู่เลยนะท่านเคยฟังธรรมของพระอัสสชิตอนนั้นท่านยังไม่เจอพระพุทธเจ้า ท่านไปเห็นพระอาสชิบินทบาทเนี่ยท่านก็ไปถามพระอาสชิว่าหลักธรรมที่พระอาสชิเรียนเนี่ยศาสดาของท่านสอนอะไรพระอาสชีสอนบอกว่าท่านก็พูดให้ฟังนะท่านบอกท่านเพิ่งบวชใหม่รู้ไม่มากหรอกพวกเรานะพานานนิดหน่อยเรารู้เยอะเยอะเราพูดธรรมะ ก, กันฉอดฉอดฉอดเ <laughs> <laughs> ถียงกันไปเถียงกันมานะโอ้ยแตกฉานกันจังเลย พระอาสิชีเป็นพระราหารันเรารู้ไม่มากพระสารีบุตรตอนนี้นยังไม่บวชนชื่ออุปติสสะเอาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละท่านมีหน้าที่พูดก็พูดไปเถอะผมมีหน้าที่เข้าใจเดี๋ยวเข้าใจเองแหละท่านก็สอนนะว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าคือพระพุทธเจ้าแสดงเหตุของธรรมนั้นและแสดงความดับไปของธรรมนั้น รพระตถาคตเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้พระสารีบุตรฟังแล้วก็เป็นพระโสดาบันนะท่านมีปัญญาปิ้งขึ้นมาสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะมันเป็นไปตามเหตนะุถ้าเหตุมันดับตัวมันก็ดับงนะั้นสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตานะนี่ปัญญาท่านกล้านะท่านฟังแค่นี้ท่านเข้าใจว่าความปรุงแต่งทั้งหลายนี่นเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวร ล้างความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนได้ก็เป็นพระโสดาบันนะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวกู น, ะนท่านกตัญญูนะถึงท่านจะอยู่วัดเดียวกับพระพุทธเจ้าเวลานอนนะท่านจะหันศีรษะไปทางพระอาศาัศชิในทางของพระนะนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราได้โสดาเพราะครูบาอจารย์องค์ไหนนะองค์นั้นจะ ถ, ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ องต่อต่อไปก็จะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่อะไรเงี้ยง น, นพระสารีบุตรนะท่านกรตันยูนอนหันศีรษะไปทางพระอาสชชิคอยสืบเร่ยพระอาสชิอยู่ที่ไหนที่ไหนแต่ละวันท่านก็จะหันศีรษะไปทางนั้นแทนที่จะหันไปหาพระพุทธเจ้านะนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้ทำเพราะท่านผู้ใดก็จะรู้สึกท่านผู้นั้นเป็นพ่อ ใครรู้บ้างว่าพระนอนุนฟังธรรมของท่านผู้ใดล้วได้โสดาบองรู้ไหมพระปุณณมันตนิบุตรนะเด็กๆ ก, ก็ต้องเรียนไว้นะกะตันยูกตวเวทีความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนอากตัญยูไม่ดีบอกสิ่งที่หาได้ยากคนที่หาได้ยากในโลกนี้มีสองประเภทนะ บุพการีพวกหนึ่งกตันยูกะตะเวทีพวกหนึ่งบุพการีคือคนที่ให้ความสงเคราะห์เราก่อนอย่างพ่อแม่สงเคราะห์เราก่อนครูบาอาจารย์สงเคราะห์เราก่อนจัดเป็นบุพการนะีพ่อแม่อยู่ๆก็ต้องรับภาระเลี้ยงเราไม่เลี้ยงก็ได้นะไปใส่ทังขยะซะตั้งแต่เกิดก็ได้ก็อุตส่าห์เลี้ยงนะงั้นพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นคนที่หาได้ยาก ส่วนคนกะตันยูกะตะเวทีวพระพุทธเจ้าก็บอกหายากเหมือนกันทนะ่านถึงสอนว่ากตันยูกัตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเพราะพวกเด็ ก, ดกรักพ่อรักแม่นะอย่าดื้อนนะักของผู้ใหญ่นะก็เรียนไปนะเด็กก็เรียนได้นะแต่เด็กค่อยๆฟังไปเล้วก็เข้าใจสักสิบขวบอะไรเงี้ยพอพอไหว ขนาดเจดขวบแนะล้วหลวงพ่อสอนยากมากเลยไม่รู้จะสอนอยังไงจริงหลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆนะเกิดมรรคนิพพานได้มีไม่มากหรอกนะจำหลักสั้นๆไว้นิดเดียวนะให้เรามีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่หลวงพ่อไปรวบรวม หลักของการทำวิปัสสนากรรมฐานนะย่อลงมาเหลือเท่านี้เองถ้าพูดใหถ้ถูกก็มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรูปธรรมนามธรรมานั่นเองเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเราไม่ต้องไปดูกายคนอื่นนะดูอยู่ในรูปของตัวเองดูอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ต้องดูที่อื่นหรอกให้มีสติมีสติรู้อะไร รู้กายรู้ใจถ้าพูดให้ถูกก็ต้องบอกรู้รูปนามนะถ้าพูดพอให้อาศัยรู้เรื่องก็บอกรู้กายรู้ใจความจริงรูปนามไม่ได้ตรงกับคำว่ากายกับใจทีเดียวนะเหลือมเหลื่อมกันอย่างแรงแรงด้วยซ้าไปนะแต่เบื้องต้นเอาว่ารู้กายรู้ใจไปก่อนถ้าดูกายเป็นแล้วถึงจะเห็นรูปนะถ้าดูจิตดูใจเป็นก็จะเห็นนมามธรรมทั้งหลาย ก็มีเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาความจำได้และความหมายรู้จำได้กับหมายรู้ก็ไม่เหมือนกันนะจำได้เนี่ยเป็นการตัดสินอารมณ์ที่กำลังปรากฏนะั้นด้วยข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้วนะรู้อยู่เลยว่าจำได้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนีนะ้การหมายรู้เป็นการอนุมานเอาจากสิ่งที่เป็นปรากฏการใหม่ที่เราไม่เคยพบเคยเห็นแล้วอนุมานเอาจากข้อมูลเดิม เรียกว่าหมายรู้อย่างเด็กๆ เ, เคยเจอแมวก็ไปเจอเสือนะหน้าตามันคล้ายกันเสือคือแมวขนาดใหญ่เนี่ยก็นะหมายรู้อย่างนี้หมายถูกก็ได้หมายผิดก็ได้เคยเห็นงูนะไปเห็นปลาไหลก็หมายรู้ว่าเป็นงูอันนี้หมายผิดลนะหรือเห็นเชือกดำๆหมายว่าเป็นเป็นงูนะอย่างเงี้ยอานนี้ก็นะหมายผิดไดนะ้อันนี้เป็นนมามธรรมนะ นามธรรมอีกการนึงก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนะอันนี้เรียกเวทนาสัญญาคือความจําได้กับความหมายรู้อีกอันหนึ่งคือสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วกลางๆความปรุงแต่งบางอย่างนะเข้ากับสภาวะที่ดีก็ได้เข้ากับสภาวะที่ชั่วก็ได้อย่างสมาธิองี้สมาธิเกิดกับจิตที่ดีก็ได้เกิดกับจิตที่ชั่วก็ได้นะ คนชั่วก็มีสมาธิไม่ใช่คนชั่วไม่มีสมาธินะแต่สติเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายดีล้วนๆถ้าสติเกิดที่ไหนจิตดวงนั้นต้องเป็นจิตที่ดีนะงั้นธรรมะบางอย่างเนี่ยเกิดได้ทั้งสองฝั่งทั้งดีทั้งชั่วบางอย่างเกิดได้ฝั่งเดียวอย่างราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดได้ฝั่งเดียวคือฝั่งชั่วนะสติเียปัญญาเนี่ยเกิดได้ฝั่งเดียวคือฝั่งดีนะ สมาธิเนี่ยเป็นกลางกลางดีก็ได้ชั่วก็ได้นี่ความปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นนมามธรรมตัวจิตที่เป็นคนรู้อารมณ์ก็เป็นนมามธรรมงานั้นนมามธรรมมีสี่อย่างนะก็คือมีเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยมีสัญญาความจำได้ความหมายรู้มีสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วมีวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์หรือจิตนั่นเอง ความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่เรียกว่านามธรรมตัวรูปธรรมนะดูยากอย่างเราเห็นร่างกายของเราเนี่ยมีมือมีเท้ามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะเป็นส่วนของกายแต่ไม่ใช่รูปรูปที่แท้จริงคือธาตุธาตุสีดินน้ำไฟลมในเส้นผมก็มีธาตุอยู่นะ ส่วนที่แข็งของผมก็เป็นธาตุดินในธาตุดินทำไมอะตอมของมันเกาะตัวอยู่ด้วยกันได้มีแรงดึงดูดแรงดึงดูดของโมเลกุลของอะตอมอะไรเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะมันมีความไหวตัวได้นะเป็นธาตุลมมันมีอุณหภูมิในตัวมันนะร้อนบ้างเย็นบ้างเป็นธาตุไฟที่แฝงอยู่ในในเส้นผมเส้นเดียวในผมเส้นเดียวนี้ มีรูปตั้งเยอะแยะนะนะมีรูปตั้งเยอะแยะยังมีรูปอย่างอื่นอีกมีรูปกลิ่นมีรูปรสเห็นไหมมีรูปหลายอย่างงั้นดูรูปจริงๆดูยากนะกว่าจะเข้าใจถึงตัวรูปได้ดูยากงั้นหลวงพ่อเวลาสอนพวกเราบางทีเลยพูดย่อๆพูดง่ายๆไว้ก่อนบอกมีสติรู้กายรู้ใจนะถ้าพูดให้ถูกต้องมีสติรู้รูปรู้นามนะเะ ตัวรูปมันกายมันไม่ตรงกับรูปทีเดียวใจมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของนมามธรรมเท่านั้นนะให้มีสติรู้รู้กายรู้ใจพูดภาษาให้ฟังง่ายนะี่นสติทำหน้าที่ะระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยะระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยะระลึกรู้หัดรู้บ่อยๆแล้วสติจะเกิดบ่อยๆสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะ จิตจะจำสภาวะได้แม่นเมื่อจิตเห็นสภาวะบ่อยๆเงัอนเวลามาเรียนกับหลวงพ่อสังเกตไหมบางทีหลวงพ่อจาจี้จำชัยให้หัดรู้สภาวะบางทีก็ถามนะจิตขณะนี้เป็นยังไงลองดูซิว่าจะรู้สภาวะได้ไม่ไดนะ้ตอบได้ไหมว่าจิตขณะนี้มีราคะมีโทสะมีโมหะมองของตัวเองออกไหมถ้ามองของตัวเองไม่ออกภาวนาไม่ไดนะ้ต้องมองของตัวเองให้ออก จิตใจเป็นสุขมีไหมหรือจิตใจเป็นทุกข์อยู่หรือจิตใจเฉยเฉยอยู่นี่คือการหัดรู้สภาวะรู้ความรู้สึกสุขรู้ความรู้สึกทุกข์รู้ความรู้สึกเฉยเฉยนี่เป็นสภาวะทางจิตใจสุขทุกข์เฉยๆฉยก็คือตัวเบธนาจิตเป็นกุศลรู้ไหมจิตเป็นอกุศลรู้ไหมนั้นหัดรู้สภาวะบ่อยๆพวกเราหัดรู้สภาวะให้มากนะแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น วิธีทำให้เกิดสติไม่ใช่สั่งให้เกิดสติเองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เช่นเดียวกับสภาวะธรรมอย่างอื่นๆนั่นแหละแต่สติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดเนี่ยเหมือนที่พระอัสชิสอนอุปติสสะเลยทำใดเกิดแต่เหตุเ็นไหมเกิดแต่เหตุนะสติก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็ต้องมีเหตุให้เกิดเหมือนกัน เหตุที่สติเกิดคือทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำจิตจะจำสภาวะได้แม่นยำจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราหัด ร, รู้สภาวะบ่อยๆ ย, ยากไหมในการรู้สภาวะไม่ยากเลยหรอกนะไม่ยากทุกคนรู้สภาวะได้อยู่แล้วโดยเฉพาะสภาวะทางนามธรรมานี่รู้ได้อยู่แล้วส่วนรูปธรรมนะ่ะรู้ยากนะจิตไม่ทรงสมาธิจริงๆไม่เห็นหรอกเพราะฉนั้น คนที่จะดูรูปจริงๆนะท่านสืนอสอนบอกว่ามันเหมาะกับคนที่เล่นสมาธินะเหมาะกับสมถาญานิกส่วนพวกดูจิตดูใจเนี่ยเหมาะนะดูไปเลยนะเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกไม่ต้องทำฌานก่อนก็ได้นะสมาธิจะเกิดทีหลังใช้ปัญญานาสมาธิทุกคนรู้จักสภาวะทางจิตใจอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองอย่างโกรธเป็นยังไงมีใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไง โลกเป็นยังไงมีใครไม่รู้บ้างราคาโทสะฟุ้งซ่านเป็นยังไงใครไม่รู้บ้างฟุ้งซ่านหดหูเป็นยังไงใครไม่รู้ลังเลสงสัยใครไม่รู้จักบ้างอิจฉาใครไม่รู้จักกลัวใครไม่รู้จักกังวลใครไม่รู้จักความรู้สึกตรนีใครไม่รู้จักความรู้สึกอิจฉาใครไม่รู้จักเห็นมสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วเราอย่นึกว่ายาก เราแค่รู้ไปเท่านั้นเองว่าตอนนี้สภาวะอะไรกาลังปรากฏอยู่ในจิตในใจของเรานะถ้าสนใจจะรู้ก็รู้ได้ที่รู้ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะรู้หลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะครั้งแรกเลยที่เจอท่านนะครั้งแรกที่เจอท่านที่แรกไปจำผิดนะไปจจำว่ายี่สิบามกุมภาไปดูบันทึกกลเป็นหกกุมภาจำวันผิดไปนะเจอท่านครั้งแรกประโยคแรกที่ท่านสอนนะท่านสอนอย่างนี้เลยว่า การปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะยากเฉพาะคนไม่ทำหรอกถ้าทำไม่ยากหรอกนะโดยเฉพาะการหัดรู้สภาวะทางจิตใจทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆนะดีใจเสียใจโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่นะทุกคนรู้จักอยู่แล้วหน้าที่เราก็แค่รู้บ่อยๆว่าตอนนี้ความรู้สึกอะไรกาลังปรากฏอยู่ในจิตในใจของเรานะรู้บ่อยๆเท่านั้นแหละ การหัดรู้บ่อยๆนะจะทำให้จิตเนี่ยเห็นสภาวะบ่อยเห็นสภาวะบ่อยแล้วจิตจะจำสภาวะแม่นเรียกว่าเกิดทีระสัญญาทีระถอถุงสรีรอเรือคนไทยใช้สถิระสถียนสตสเถียนรู้ได้อย่างมั่นคงเลยสัญญาความจำได้จำได้อย่างมั่นคงเลยจำได้มั่นคงทีระสัญญาก็ต้องเห็นบ่อยๆ นั้นหัดดูใจของตัวเองบ่อยๆสุขขึ้นมาคอยรู้ทุกข์ขึ้นมาคอยรู้เฉยๆก็คอยรู้โลบขึ้นมาโกรธขึ้นมาหลงขึ้นมาฟุ้งซ่านหดหู่คอยรู้นะจิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอยากทำทานอยากรักษาศีลอยากภาวนานคอยรู้ทันเ้ืยไปหัดรู้สภาวะอย่างนี้ต่อไปสติจะเกิดเองเลยเพะจิตมันจาสภาวะแม่นนะเช่นมันจาได้ว่าความโกรธเป็นยังไงมันจาแม่นนะ พอโกรธปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเลยไม่ต้องไปคิดเลยว่าตอนนี้รู้สึกอะไรมันจะแจมแจ้งขึ้นมาเลยว่าอ้อโกรธแล้วนะมีคำว่าแล้วด้วยนะอ้อโกรธแล้วอ้อโลบแล้วอ้อใจลอยไปแล้วนะคือสภาวะนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ารู้ตามถึงจะเรียกว่าจิตาานะจตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นจิตเนืองเนืงตามเห็นหมายถึงว่าสภาวะทางจิตใจเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่ไปดักรู้นะ ไปรอดูไปดักดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตเนี่ยไม่จะมีอะไรให้ดูเลยมันจะนิ่งนิ่งว่างว่างไปกลายเป็นเพ่งจิตใช้ไม่ได้นะเดินปัญญาไม่ได้ต้องปล่อยให้จิตทำงานไปตามธรรมชาติจิตทำงานตามธรรมชาติผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นตามองเห็นจิตก็เกิดความยินดียินร้ายนะเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดหูได้ยินเสียงนะจิตก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมา เสียงอย่างนี้พอใจเสียงอย่างนี้ไม่พอใจจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายจิตเกิดความยินดียินร้ายเช่นอากาศหนาวจัดๆนะลมหนาวโชยมานิดเดียวนะจิตยินร้ายเลยถ้าอากาศกาลังร้อนจัดเลยนะมีลมเย็นๆโชยมานะจิตยินดีเลยนะเพราะฉะนั้นมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วจิตยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทัน เวลาที่จิตมันไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่มันก็จะเกิดความรู้สึกทางใจขึ้นมาเนะช่นเราหัดพุทโธพุทโธจิตมีความสุขขึ้นมาจิตมีความสุขรู้ทันว่าจิตมีความสุขมีความสุขแล้วเกิดความยินดีขึ้นมารู้ทันว่ายินดีพอใจในความสุขนี่หัดดูจิตหัดดูกันอย่างนี้นะไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งนะไม่มีใครสั่งใครสอนหรอกครูบาอาจารย์กไม่ได้สอนให้เพ่งให้จิตให้นิ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอน ท่านให้ตามดูไปจิตมีราคาก็รู้จิตไม่มีราคาก็รู้นี่ท่านสอนอย่างนี้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้นท่านสอนอย่างนี้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้เห็นไหมจิตมีราคาก็รู้หมายถึงจิตมีราคาขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันมีราคาราคาเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันมีราคะไม่ไปดักดูนะอย่าดักดูถ้าดักดูจะใช้ไม่ได้เลยดูจิตผิดเลย งั้นมีสติรู้กายรู้ใจนะดูกายดูลงปัจจุบันไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่คอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอยู่คอยรู้สึกจะได้ไม่ซุ่มซ่ามเตนนต์นี้ดูจิตดูใจก็ดูไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันมันพอความรู้สึกเกิดขึ้นพอเรารู้ทันนะจิตเกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นยินดียินร้ายขึ้มารู้ทันมันอีกชั้นหนึ่ง งั้นสภาวะใดเกิดขึ้นแก่จิตใจก็รู้เช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้พอรู้สภาวะแล้วจิตไม่เป็นกลางจิตเกิดความยินดียินร้ายต่อความโกรธนะก็รู้ทันความยินดียินร้ายนั้นอีกชั้นหนึ่งนะจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางฝึกไปเรื่อยๆ น, นี่มีสติรู้กายรู้ใจนะที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราจําไว้นะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ตรงที่มีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยคือตัวสติการรู้ตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าตัวปัญญานะสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนะความจริงของกายของใจคือไตรลักษณนะ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรื่องอื่นนะอย่างถ้าเราดูกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะเป็นสมถกรถมรมฐาน ก็นะต้องดูให้เห็นใจรักถึงจะเป็นวิปัสสนาแท้ถ้าดูเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะจะได้ความสงบเป็นสมถะนะอย่างจิตมีราคะนั้นก็มาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูลเป็นอาสุภะราคาก็ดับไปชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ราคาหายไปแล้แก่อาการของกิเลสนะอันนี้เป็นสมถะหรือจิตมีความโกรธเกิดขึ้นไปแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะจิตหายโกรธเงี้ยอันนี้เป็นสมถะ แต่ถ้าจะเดินวิปัสสนานะต้องดูความจริงดูความจริงของมันก็คือสิ่งทั้งหลายมันเกิดแล้วมันดับทั้งสิ้นความกโกรธเกิดขึ้นสักพักหนึ่งความกโกรธก็ดับความโลภก็ดับความหลงก็ดับความสุขก็ดับความทุกข์ก็ดับไม่มีอะไรเลยเกิดแล้วไม่ดับสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่เห็นว่ามันเกิดแล้วดับนะพัฒนาต่อไปอีกมันจะรู้เลยมันจะเกิดเพราะมันมีเหตุมันจะดับเพราะเหตุมันดับ อันนี้จะเหมือนที่พระอัจชิสอนพระสาริบุตรสอนอุปติสสะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตาาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะแล้วทำไมมันดับไปแห่งธรรมนั้นสิ่งทั้งหลายดับไปนะดับไปก็เพราะเหตุมันดับนั่นแหลนะนี่เราหัดดูกายดูใจนะมีสติรู้กายรู้ใจไปก็เห็นแต่ความเกิดดับนะ ร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจเข้าขึ้นมาแทนร่างกายหายใจเข้าดับไปเกิดร่างกายหายใจออกขึ้นมาแทนร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนนั้นมันเกิดดับไปเรื่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งมันเกิดดับไปเรื่อยนะจิตใจก็เกิดดับไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหัดรู้ไปเรื่อยนะตรงที่เราหัดรู้สภาวะมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะตัวนี้ดีละ ค่อยๆรู้ไปต่อไปปัญญามันแก่รอบขึ้นอีกมันเห็นลึกลงไปอีกสิ่งทั้งหลายถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่ความรู้ความเข้าใจมันมากขึ้นเห็นอนัตตานะเห็นอนัตตาไม่ใช่แค่เห็นเกิดดับเห็นเกิดดับมันเห็นอนิจจังเห็นมรรสภาวะทั้งหลายทนอยู่ได้ไม่นานนี่ว่าเห็นทุกขังแต่สุดท้ายเป็นเห็นอนัตตาถ้าปัญญาแก่กล้าจริงๆคนไหนปัญญาไม่แก่กล้าก็เห็นอนิจจังไปเห็นทุกขังไปนะ คนไหนปัญญาแก่กล้าจริงๆก็เห็นอนัตตาหรือคนไหนจิตเดินชานมากๆนะก็ต้องไปเห็นตัวทุกขัขนะังไปเห็นทุกข์ถ้าเห็นอนาัตตาเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเนี่ยพระสารีบุตรท่านปัญญาแก่กล้าเห็นหท่านฟังตรงนี้เลยท่านไหลปิ๊งเลยถ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับพระสารีบุตรฟังแล้วคงจุ ด, จด พระอัศวชีท่านแสดงธรรมได้สะใจภาษาริบุตรภาษาริบุตรฉลาดมากเลยสอนเลยทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุคำว่าทำทั้งหลายก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าสอนเหตุของธรรมนั้นและสอนความดับไปของสิ่งนั้นถ้าเหตุดับมันก็ดับนะเหตุไม่ดับมันก็มีไม่มีใครบังคับได้ไม่มีใครสั่งได้นี่คือความจริง เรียกว่ารู้รูปรู้นามนะมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของมันแต่มันมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขว่าเราจะเห็นไตรลักษณ์คือเกิดปัญญาได้การเห็นไตรลักษณ์คือการมีปัญญานั่นแหละนะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่องมีสติสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจนะไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาก็รู้อย่างอื่นนะ สติปัฏฐานเนี่ยรู้กายรู้ใจเพราะฉะนั้นมีสติปัฏฐานนี่แหละรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงก็คือเห็นใจรักการเห็นใจรักนั่นแหละคือตัวปัญญาเห็นไนพ่อสอนอะไรสอนสติกับปัญญานะอย่างเราเห็นร่างกายเดินอยู่เดินอยู่นะสติรู้ทันเห็นรูปมันเดินเห็นรูปมันเคลื่อนไหวปัญญามันยังลงไปเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา น, ะนี่ปัญญาเป็นตัวเข้าใจใจรัก ความโกรธเกิดขึ้นสติรู้ทันว่ามีความโกรธเกิดขึ้นปัญญาอย่างพั่วลงไปเลยเห็นเลยความโกรธเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวมีตนนะี่เห็นอนัตตาเข้าไปนู่นเลยก็ได้นะแล้วสตินะเป็นตัวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นไตรลักษณ์ สองสิ่งนี้แหละที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ไปได้ถ้าเกิดตัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในกายในใจในขัน5้าปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือก็ไม่หนักนะถือไว้ก็หนักแต่มันมีเงื่อนไขจิตจะเกิดปัญญาได้นะต้องมีสมาธิรองรับเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อถึงใช้คําว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วย ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางใช่มมีเงื่อนไขนะจะไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านไม่ได้นะด้วยจิตที่ไม่เป็นกลางไม่ได้เฉะนั้นจาเป็นต้องพัฒนานะจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เป็นกลางในการรู้การดูจิตที่ตั้งมั่นในการรู้การดูและเป็นกลางในการรู้การดูนี่แหละเรียกว่าจิตมีสมรร ท, ท, ที่ดี สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็เป็นกลางในการรู้การดูนีสมาธิชนิดนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนั้นสิ่งที่หลวงพ่ออามาสอนแล้วก็จะต่างกับคนอื่นเยอะๆเลยนะก็คือหลวงพ่อจะมาจ้ำจี้จ้ำชัยว่าทํำยังไงพวกเราหัดรู้สภาวะเพื่อเราจะได้เกิดสติทํำยังไงพวกเราจะสร้างลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเป็นกลางในการรู้การดูเพื่อจะได้เกิดปัญญา จุดที่หลวงพ่อเน้นจะต่างกับท่านผู้อื่นตรงนี้เท่านั้นเองนะแต่ว่าสุดท้ายมันจะลงที่เดียวกันนั่นเอง น, ะนี่บางคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อสอนอะไรวะสอนให้ดูสภาวะมันคิดว่าเราไปทักจิตทายใจนะถ้ามาถามหลวงพ่อทักจิตทายใจคนไหมเราไม่ทายหรอกตัวนั้นเขาเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารการทายใจผู้อื่นนะเป็นเรื่องนอกศาสนาพุทธนะอาเทศนาปาฏิหารปาฏิหารใน การสั่งสอนนะ่ะเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารนะคนละตัวกันนะคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยนะอย่างพาพวกเราให้หัดรู้สภาวะของตัวเองนะเรียนรู้สภาวะตัวเองนะมันไม่ใช่อาเทศนาปฏิหารนะอธิณนาปฏิหารเช่นเนี่ยโบกําลังคิดเรื่องนี้อยู่เนี่เห็นไหมนี่กําลังคิดเรื่องนี้อยู่นี่นี่คุณคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยทายไปเพื่อให้เขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเขาจะได้เอาลาบสักการะมาให้หนไ แต่เรื่องการอบรมสั่งสอนนะให้ให้พวกเราหัดดูสภาวะเนี่ยเรื่องจําเป็นที่สุดเลยดูสภาวะไม่เป็นอย่ามาพูดเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเลยไม่มีทางหรอกกี่พบกี่ชาติก็ทําไม่ได้หรอกนะเพราะฉั้นต้องหัดรู้สภาวะนะแล้วก็ต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ใช่ฝึกจิตให้สงบเคริบเคลิ้มนะหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆมานะหัดทําสมาธินั่งเคลิบค้บเสร็จแล้วฝันเลยฝัน เห็นไเรียกเคลิมฝันเรียกพรอๆบอกนิมิตนิมิตนะนั่งแล้วก็ฝันเห็นสวรรค์โอนะ้สวรรค์สวยสวยงามงา ม, มีดอกไม้เทวดาปลูกดอกไม้ทีหนึ่งเป็นแปลงใหญ่ๆนะเดินดูนี่ไม่ไม่หมดเลยวันหนึ่งก็เดินไม่หมดนะต้องลอยไปดูเนี่ยฝันทั้งนั้นแหละนะชาติก่อนชาติหน้าชาติโน้นชาตินีนะ้นี่เรื่องเรื่องฝันฝันเราทั้งนั้นแนหะเรื่องนิมิตทั้งนั้นนะ สิ่งเหล่านั้นนะไม่ได้เกิดประโยชน์กับการพ้นทุกข์เลยนะสิ่งที่จะมีประโยชน์กับการพ้นทุกข์ไม่ใช่สมาธิชนิดนั้นสมาธิชนิดที่ไปรู้ไปเห็นอะไรภายนอกนะสมาธิออกนอกนะต้องเป็นสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ออกนอกเป็นแถวเลยเห็นพระเข้ามาก็สนใจลนะออกนอกเป็นแถวเลยดูออกไหมนะไม่เห็นจะต้องทายเลยก็มองไปหมดอนะมองกันทั้งห้องเลยแทนที่จะมองเรา สมาธิมีสองชนิดนะอ่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยต่อ <laughs> นิมนต์ท่านอาจาร